พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่จุลละปุณณะมัสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวงสูตรเล็กคนชั่วไม่มีทางรู้ว่าใครเป็นคนดีคนดีคนชั่วดูอย่างไรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราศาสตร์ของมิคารมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคทรงตรัสเรื่องนี้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่อาศัตบุรุษพึงรู้จักอาศัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอาศัตบุร <ES Verse 1> ุษคือคนชั่วและเป็นไปไม่ได้ที่อาศัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษคือคนดีข้อนี้คือเป็นไปไม่ได้ที่คนชั่วจะรู้จักคนชั่วว่าเป็นคนชั่วหรือรู้จักว่าคนดีเป็นคนดี เพราะว่าอสัต <watering>, บุรุษเป็นผ <suspenseful> ู้ประกอบด้วยอสัตยธรรมคือบาปธรรมมีความพักดีต่ออสัตบุรุษมีความคิดมีความรู้มีถ้อยคํามีการกระทํามีความคิดเห็นอย่างอสัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษอสัตบุรุษผู้ประกอบด้วยอสัตยธรรมคืออสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเชื่อไม่มีหิริความละอายต่อบาป ไม่มีโอตะ ป, ปะความเกรงกลัวบาปมีสุตตะน้อยเกียรตคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามอสัตบุรุษผู้พักดีต่ออสัตว์บุรุษคืออสัต์บุรุษในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริไม่มีโอตะ ป, ปะมีสุตตะน้อยเกียรคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามเป็นมิตรเป็นสหาย สัต์บุรุษผู้มีความคิดอย่างสัตว์บุรุษคืออสัตว์บุรุษในโลกนี้ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื ko ่นบ mm. ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอสัตว์บุรุษผู้มีความรู้อย่างอสัตว์บุรุษคืออสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอสัตบุรุษผู้มีถ้อยคําอย่างอสัตบุรุษคืออสัตบุรุษในโลกนี้มีปกติพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออสัตบุรุษผู้มีการกระทําอย่างอสัตบุรุษคืออสัตบุรุษในโลกนี้มีปกติฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประกฤติผิดในกรรมอาศัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างอาศัตบุรุษคืออาศัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปติกะเช่นเปรตพรมก็ไม่มี สมณพราหมผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทําให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกอาสัตว์บูรุษให้ทานอย่างอศัตย์บูรุษคืออาสัตว์บูรุษในโลกนี้ให้ทานโดยไม่เคารพไม่ให้ทานด้วยมือของตนไม่ให้ทานด้วยความอ่อนน้อมให้ทานอย่างเสียไม่ได้ เป็นผู้ไม่เห็นผลในทานภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอสัตถธรรมอย่างนี้มีความพักดีมีความคิดมีความรู้มีถ้อยคํามีการกระทามีความเห็นให้ทานอย่างอสัตบุรุษนี้หลังจะตายแล้วจะไปเกิดในคติของอสัตบุรุษคือนรกหรือกําเนิดสัตยรชาน จากนั้นตรัสถึงสัตว์บุรุษคือคนดีโดยในยะตรงกันข้ามกันคือสัตว์บุรุษคนดียอมรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีหรือคนไหนเป็นคนชั่วเพราะว่าสัตว์บุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยสัตยธรรมมีความพักดีมีความคิดมีความรู้มีถ้อยคำมีการกระทา ม, มีความเห็นให้ทานอย่างสัตบุรุษนี้สัตบุรุษผู้ประกอบด้วยสัตธรรม คือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีฮิริมีโอตปะมีสุตตะมากปรารบความเพียรมีสติตั้งมั่นมีปัญญาสัตบุรุษผู้พักดีต่อสัตบุรุษคือสัตบุรุษในโลกนี้มีสมณะปรามผู้มีศรัทธามีฮิริมีโอตปะมีสุตตะมากปรารบความเพียรมีสติตั้งมั่นมีปัญญา มีสำมนัปรามเหล่านี้เป็นมิตรเป็นสหายสัตว์บุรุษผู้มีความคิดอย่างสัตว์บุรุษคือสัตว์บุรุษในโลกนี้ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างสัตว์บุรุษผู้มีความรู้อย่างสัตว์บุรุษคือสัตว์บุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนตนบ้าง ยอมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างยอมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างสัตว์บุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างสัตว์บุรุษคือสัตว์บุรุษในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ สัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างสัตบุรุษคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรมสัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทาดีทาชั่วมี โลกนี้มีอยู่โลกหน้ามีอยู่มารดาบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นอกปฏิกะมีอยู่สมณพราหมูประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกสัตว์บูรุษคือคนดีให้ทานอย่างสัตว์บูรุษเป็นอย่างไรคือสัตว์บูรุษในโลกนี้ให้ทานโดยเคารพ ให้ทานด้วยมือของตนให้ทานด้วยความอ่อนน้อมให้ทานอย่างบริสุทธิ์เป็นผู้มีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วมีผลดังนี้แล้วจึงให้ทานสัตว์บุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสัตรูธรรมอย่างนี้มีความพักดีมีความคิดมีความรู้มีถ้อยคำมีการกระทามีความเห็นให้ทานอย่างสัตว์บุรุษนี้อย่างนี้แล้ว หลังจากตายแล้วย่อมบังเกิดในคติของสัตว์บุรุษคือความเป็นใหญ่ในเทวดาหรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบจุลปุณณะสูตร